อย่างอย่างดีที่เราควรจะทำก็คือว่าเห็นท่านทำดีและทำตามคติของพระโพธิสัตว์ก็คือว่าเห็นท่านทำดีและควรทำตามท่านอย่างพวกเราเนี่ยก็เห็นในหลวงทำดีทำงานเพื่อประชาชนเนี่ยทำมาตลอดตั้งมาสมัยเด็กๆนะดูข่าวในพระราชสำนักเนี่ยพอพอเริ่มรู้ความและดูทีวีเนี่ยนะ ตอนดูทีวีตอนไม่รู้ความก็ก็คงมีนะแต่พอเริ่มรู้ความก็ดูทีวีเนะี่ยพอถึงข่าวข่าวในพระราชสำนักขึ้นปะหน้ามาเนี่ยในใจนึกว่าจะต้องเป็นในวังในใจนึกว่าต้องเป็นในวังข่าวในวังเหมือนได้ดูลิเกรหรือดูละครจกัจกจักวงวงต่ออนะไรนั้นไปดูสมัยนั้นก็มีละครจกัจกจักรงวงนะสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ใช่ไหม แต่งตัวมีมีเครื่องประดับอะไรเงี้ยภาพละครแบบหนึ่งนะละครจา ก, จากๆวงๆแบบหนึ่งพอตัดเข้าชีวิตจริงในยุคปัจจุบันในยุคนั้นนะตอนเด็กๆนึกว่าจะเป็นอย่างนั้นด้วยนึกว่าจะมีฉากมีพระราชานั่งบัลลังก์มีอมนาธมีอะไรนั่งประกบซ้ายขวาอะไรเงี้ยนะมีพระมเหสีมีคนถือพัดโบก ไ, ไม่ใช่เลยดูกี่ครั้งกี่ครั้งนะ พระราชาของเราเนี่ยออกชนบทไปอยู่ในที่แห้งแล้งไปช่วยประชาชนในที่แห้งแล้งไปบุกลุยป่าหาที่เก็บน้ำหาทางที่จะทำน้ำหาทางที่จะทำฝนหลวงทำมาตั้งแต่สมัยนั้นยุคนั้นและภาพนี้ตลอดนานๆจึงจะมีพระราชพิธีอยู่ข้างในในเมืองว่าคนนั้นมาเข้าเฝ้าันนี้มาเข้าเฝ้าในเมืองซึ่งเป็นงานที่ที่ต้องกลับมา ต้องมาทําแต่งานหลักของท่านเลยเป็นประจําเลยทุกวันต้องมีอยู่เรื่อยๆเลยคือออกชนบทออกชนบทไปช่วยคนชนบทงานอย่างนี้เป็นงานระดับพระโพธิสัตว์ทํางานเพื่อประโยชน์ของชนหมู่ใหญ่ทําประโยชน์ตนด้วยและทําประโยชน์ท่านด้วยอย่างนี้เราต้องทําตามไม่ใช่เห็นแล้วไปอิจฉาแล้วมาเห็นไปแล้วริษยา มงคนเห็นว่าประชาชนรักท่านมากเราต้องแย่งความรักจากประชาชนด้วยการให้อะไรกับประชาชนอย่างอื่นให้ลาบโดยที่ผลออกมามันไม่ไม่ดีมันไม่ได้ช่วยจริงเพียงแต่แค่แค่ว่าริษยาแย่งความรักจากประชาชนประชาชนไม่รู้ทันก็ไปรักบ้างไปรักลาบที่ได้ลอยๆอยโดยที่ลืมคาสอนลืมสิ่งที่พร ะ, พระเจ้าอยู่ห่วของเราทา พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยสอนสอนให้คนทำมาหากินแล้วก็เอื้อสร้างสภาพเอื้อให้คนทำมาหากินให้ได้ไม่ใช่ไปให้เงินให้เงินให้เงินหรือว่าให้ของให้ของให้ของอย่างเดียวให้เงินให้ของเนี่ยจะให้เฉพาะตอนที่ฉุกเฉินจะเวลามีน้ําท่วมไฟไหม้อะไรนัจะมีถุงพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานอันนั้น ยามฉุกเฉินต้องให้ของทันทีต้องใช้ทันทียามที่ปกติยามปกติคือสร้างสภาพเอื้อให้เขาพัฒนาตัวเองเราเองก็เหมือนกันนะเราเองก็ต้องพัฒนาตัวเองไม่ใช่รอที่จะรับอะไรแบบลอยๆลาบลอยโดยที่ตัวเองไม่ได้ทํา ไ, ไม่ได้พัฒนาฝีมือไม่ได้พัฒนาแรงงานไม่ได้พัฒนาสมองปัญญาอะไรเลย ถ้ามีใครให้สิ่งนั้นกับเราเราก็ต้องบอกว่าเราได้พัฒนาอะไรคุ้มกับลาภที่ได้มานี้หรือยังอย่ า, อ ย, าอย่าโมยินดีกับสิ่งที่ได้มาลอยลอยโดยที่ไม่พัฒนาอะไรตัวเองเลยเราได้พัฒนาธรรมะอะไรข้อไหนบ้างหรือเปล่ามีธรรมะอะไรเพิ่มขึ้นบ้างไหมตอนนีอยู่ยังตอนนีอยู่เหมือนเดิมไหมหรือยิ่งตอนนียิ่งขึ้น โลภยังโลภเลยมันเดิมไหมหรือว่าโลภยิ่งขึ้นอยากได้มากขึ้นอยากได้มากขึ้นติดใจในสิ่งที่ได้มาลอยๆฟรีๆอย่างนี้อยู่หรือเปล่าสิ่งที่ได้มาลอยๆฟรีๆถ้ามันมีผลร้ายในภายภาคหน้าเราก็ควรที่จะศึกษาข้อเสียของมันแล้วก็ยินดีที่จะมีทุกขยินดีที่จะมีทุกขคือมีทุกทางกายมานันเรียกว่า มีความบากบัน่นขยันอ ด, อดทนที่จะฝ่าฟันพัฒนาตัวเองให้เข้มแข็งแข็ง แ, งแรงที่จะอยู่ได้ด้วยขาของตัวเองที่ที่ผมพูดตรงนี้เพราะว่าเหตุการณ์ที่มันจะคลี่คลายไปเนี่ยไม่ใช่คลี่คลายทันทีทันใดปัญหายังค้างอยู่เยอะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นมาปัญหาอย่างหนึ่งที่ยังต้องค้างอยู่คือเรื่องเศรษฐกิจ นี่ที่เยอะนี่นะมันยังไม่ง่ายๆหรอกต้องฝ่าฟันเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะต้องให้ข้อมูลศึกษากันว่าทำไมมันบ้านเมืองจึงมาถึงจุดนี้ทำไมบ้านเมืองจึงถึงจุดนี้ทำไมชีวิตเราจึงมาประสบพบเจอสิ่งเหล่านี้ศึกษาให้ดีแล้วก็อย่าเดินลอยเดิมศึกษาให้ดีว่าเราเดินมาอย่างไงจึงมาถึงจุดนี้ลาบากแบบนี้ได้ อย่าเดินรอยเดิมยังอยู่ในชั้นอยู่ในขั้นที่ว่ายัางแก้ไขได้อยู่อยู่แก้ไขได้ถ้าเราศึกษาแล้วรู้แล้วว่าเราผิดพลาดอะไร<ม>ก็ไม่เดินไม่เดินต่อสิ่งนั้นบอกกันบอกกันด้วยน้ําใจที่กรุณาซึ่งกันและกันเมตตาซึ่งกันและกันจเจริญเมตตาให้มากๆจเจริญกรุณาให้มากๆแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคด้วยกันยังมียังมีอุปสรรค อีกเยอะแต่ถ้าเรารู้ว่าเราพลาดอะไรแล้วร่วมใจกันร่วมใจกันนะฝ่าฟันแนวในแนวทางที่ถูกต้องนะไม่นานไม่นานแต่ไม่ใช่แป๊บเดียวไม่ใช่เดือนสองเดือนโอ้ฟ้าสีทองผ่องอัมภัยไม่ใช่ยังยังไม่ใช่ยังแต่สว่างขึ้นเรื่อยๆฟ้าสว่างขึ้นเรื่อยๆ นี่ทำไมมาจบตรงนี้ได้เนาะลิศยานะวันนี้วันพูดเรื่องลิศยาเนาะจริงจริงกิเลสทุกตัวนะ่ะน่ากลัวทั้งนั้นนะกิเลสทุกตัวน่าน่ากลัวทั้งนั้นเกิดขึ้นมาให้รู้ทันเกิดขึ้นมาให้รู้ทันอย่าให้มันโตจนทําให้เราไปผิดไปทําผิดในเรื่องต่างๆคนที่เขาพลาดทําผิดเนี่ยบางทีเคย เป็นคนดีเคยเป็นคนดีถ้ามองในแง่นี้นะเราจะไม่โกรธเขาเราจะไม่โกรธเขาแต่เรารู้ว่าตอนเนี้ยมันอันตรายถ้าทําอย่างนี้แล้วทำไปแล้วเส้นทางของชีวิตหรือเส้นทางของประเทศชาติมันจะไปในทางที่เสื่อมช่วยกันบอกต่อช่วยกันให้ความรู้ซึ่งกันและกันด้วยจิตใจที่เอื้อเฟื้อด้วยจิตใจที่เอือ้อเฟื้อไม่ใช่อาคตาิกันไม่ใช่แค้นแล้วก็จะไปไปทำร้ายทําลาย เห็นคนทําร้ายทําลายแล้วก็สงสารเขาว่าเขาพลาดละทําร้ายคนหมู่มากก็ยินพลาดมากทําร้ายคนหมู่น้อยแต่มีคุณธรรมมากก็พลาดมากนะ <c oughs> ไปทําร้ายผู้สงศีลไปทําร้ายคนที่ก็สร้างบา ร, รมีเพื่อไปเป็นพระโ พ, พระโพธิสัตว์หรือว่จะไปเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็ลาบากอย่างในหลวงเนยนะใครให้ร้ายท่านเนี่ยบาปมากนะ พูดรา้ายทาร้ายทำร้ายท่านคงทำร้ายยากแต่ให้ร้ายเนี่ยทำในที่รับที่แจ้งก็บาปทั้งนั้นยิ่งกระจายความให้ร้ายนั้นกว้างมากยิ่งบาปมากแต่ถ้าเราเห็นตัวอย่างที่ดีของท่านแล้วเราทาตามมันดีแค่ไหนที่ชาตินี้ได้เกิดมาเห็นคนทําดีขนาดนี้หายากนะคนที่ทําดีอย่าง อย่างอะไรอย่างไม่ท้อถอยไม่พูดร้ายใครๆไม่พูดร้ายใครเลยอดทนถูกกระทบกระทั่งอย่างมากนะไม่ให้ร้ายใครเลยเหมือนขันติวาทีถูกกระทบกระทั่งขนาดนั้นเนี่ยไม่พูดเลยว่าแกอย่างนั้นอย่างนี้ไม่มีเลยนะมหาบาพิษมหาบาพิษแตวอย่างเดียวนะในหลวงของเราก็ถูกกระทบกระทั่งอย่างมากเลยทำดีแล้ว คนที่ทําคนที่ท่านไปช่วยเหลือกลับมาให้ร้ายท่านอะไรอย่างเงี้ยนะท่านก็ไม่ได้ให้ร้ายตอบไม่ได้มีคําพูดที่เรียกว่าเป็นน้อยใจเผยออกมาสู่สาธารณะไม่มีเลยไม่มีที่ว่าทําประชดประชันถ้าอย่างนี้แล้วท่านจะไม่ทําแล้วไม่มีเลยในหลวงนะเราต้องทําอย่างท่านให้ได้เป็นประสบนิก่อท่านดาวนะถ้าชาตินี้เราไม่ได้ ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคาอนาคาหรือพระอาหารหันเนี่ยนะถ้าท่านไปเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในข้างหน้าเราก็คงไปเป็นพุพทธบริษัทในศาสนาของท่านเหมือนอย่างที่ตอนที่สุมเมธดาบทนึกออกไหมตอนนั้นเป็นพระ พ, พระโพธิสัตว์ตากธนาเป็นพระพุทธเจ้าต่อนหน้าพระพุทธเจ้าที่ ชื่อว่าพระทีปังกรคนทั้งหลายเหล่านั้นเนี่ยก็นึกในใจแล้วว่าโอ้ดีจริงๆเลยวันนี้เราได้เจอทั้งพระพุทธเจ้าและพระโพธิสัตว์ถ้าเราบำเพ็ญบรารมีทำกรรมฐานสมถกรรมฐานหรือปรัสนกรรมฐานหรือให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาในชาตินี้ไม่บรรลุมรรคผลเรายังมีพระโพธิสัตว์คือองค์นี้คือสุมเมตดาบทเนี่ย ยังมีสุมเม็ดดาบทเป็นพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปถึงแม้จะอีกสี่อสงไขยกระแสนกับก็อุ่นใจอุ่นใจว่าเหมือนการข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นถ้าเรือนี้เราข้ามไม่ได้ยังมีอีกท่านึงอยู่ทางโน้นเราไหว้ไปตรงเนี้นะเราตัดกระแสน้ําตัวนี้ไม่พ้นนะกระแสน้ําพัดไปยังมีอีกท่านึงที่เราจะขึ้นได้บางคนก็ตั้งใจแล้ว่าขอไปขึ้นด้วยขอไปขึ้นด้วยกับพระพสต์สัตว์องค์นี้ถ้าท่านมารลุเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตขอไปอยู่ด้วย ถ้าเราชาตินี้นะทำให้เต็มสติปัญญาสามารถแล้วเนี่ยนะไม่พ้นนะมันก็ยังอยู่คลุกอยู่กับวงการก็เรียกว่าเข้าวงการเ <c oughs> ข้าวงการแห่งพุทธวงการนี้ไปตั้งใจก็ว่าขอถ้าถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าจะเกิดอีกขอให้เกิดในถิ่นที่พุทธศาสนากำลังเจริญรุ่งเรือง เราอาจจะเคยเกิดที่อินเดียมาแล้วก็ได้ในขณะที่อินเดียกําลังรุ่งเรืองด้วยพุทธศาสนาอาจจะเกิดที่เคยเคยเกิดที่เมืองจีนก็ได้นะในยุคที่เมืองจีนกําลังรุ่งเรืองในพุทธศาสนามีมรรคผลกำลังเกิดขึ้นที่นั่นอาจจะยุคท่านวิ่งหลางอะไรอย่างนี้นะแล้วอาจจะเคยไปเกิดที่เมืองจีนมาแล้วก็ได้มาเกิดที่เมืองไทยตอนนี้กําลังรุ่งเรืองเราก็เลยตามมาตามมาแล้วแล้วก็ใช้โอกาสที่ตามพุทธศาสนามาเกิดที่นี่สร้างบารามี สร้งมันเอด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาทำสมถะภาวนาวิปัสนาภาวนาทำให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวมาบรรลุบางคนบอกกลัวจะบรรลุไม่ต้องกลัวถ้ามันยังติดค้างอยู่นะค้างว่าจะไปเป็นพระโพธิสัตว์หรือจะติดตามพระโพธิสัตว์องค์ใดองค์หนึ่งเพื่อจะไปเป็นอุปถากหรือว่าจะไปเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าอนาคตกนะมันจะไม่ตัดตอนนี้หรอกมันมีภาระที่ค้างอยู่ไม่ไปหรอก แต่ถ้าหมดภาระหมดห่วงหมดอะไรแล้วน ะ, จะเจริญภาวนาให้เต็มที่ถึงมรรคผลนิพานชาตินี้ได้เอาด้วยนะทําให้เต็มที่ไม่ต้องกลัวบรรลุถ้าเราตั้งใจจะเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยก็ไม่บรรลุหรอกเพราะใจมันยังค้างอยู่ว่าจะไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งอนาคต mm hmm. เพื่อจะไปโปรดสัตว์ข้างหน้ามันมีงานมันมีงานค้างใจอยู่ว่าเจ้าต้องไปทํามันจะไม่บรรลุแต่ถ้าไม่มีงานอื่น ไม่มีงานอื่นมีงานเฉพาะตนเนียนะก็คือทายังไงจะให้ทุกในใจของเราเนี่ยน้อยลงน้อยลงจนกระทั่งพ้นไปงานของเราก็แตกต่างกันตามตามปรารถนาสิ่งที่จะปรารถนาของแต่ละคนที่จะไปนะมีสามทางมีสามทางนะทางที่หนึ่งคือเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใครปรารถนาอย่างนี้บ้างมีไหมไม่มีตัดไปทางหนึ่งหลือสองทาง ปรารถนาไปเพื่อเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าตัดสรุ้เองแต่ไม่สอนใครมีใครปรารถน า, านี้ไหมไม่มีเหลือทางเดียวคือเป็นสาวกสาวกขั้นสูงสุดคือเป็นพระอรหันตสาวกถ้าไม่ได้เป็นถ้าไม่ได้ตั้งใจเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งใจเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าทางของเราที่เหลือคือทางเดียวสาวกคือมาฟังคําสอนของพระโตองค์ จากพระโอษฐ์บ้างจากพระไตรปิฎกจากหนังสือจากอะไรก็แล้วแต่ที่ถ่ายทอดคำสอนของพระองค์มาจะเป็นครูบาอาจารย์ที่มาถ่ายทอดต่อก็ได้ฟังแล้วเอาไปทาใช้ความรู้ที่พระองค์สร้างบารมีมาจนรู้เองและถ่ายทอดมาเนี่ยเปิดทางเปิดทางสู่ทางรอดเป็นทางรอดที่จะไปสู่ความพ้นทุกเนี่ยเปิดให้แล้ว ถ้าไม่มีพระพุทธเจ้านะโลกนี้เหมือนถูกปิดมืดมิดพระพุทธเจ้าตรัสรูสร้มาแล้วเนี่ยโลกเหมือนมีช่องเปิดให้เหล่าสัตว์ผู้มีบา ร, รมีหรือมีปัญญาเนี่ยเดินตามออกช่องนี้ไปพอหมดยุคพุทธศาสนานะช่องนี้เหมือนเหมือนถูกปิดนิพพานมีอยู่โลกนี้ก็ยังอยู่แล้วเราก็อยู่ในโลกนี้แหละแต่ช่องทางถูกปิดไว้ไม่มีผู้ใดมาชี้ท่องว่า ควรไปช่องนี้นะควรรักษาศีลนะควรเจริญภาวนานะควรทำสมถะแบบนี้ควรทำวิปัสนาแบบนี้ไม่มีใครสอนเมื่อมีใครสอนทางเหมือนถูกปิดถูกปิดไปทางมีอยู่แต่ไม่มีใครบอกพอพระเจ้าตรัสรู้มาบอกทางทางก็เปิดโล่งขึ้นแสงสว่างส่องให้เห็นทางเราก็เดินสะดวกมากขึ้นคนก็เดินแล้วมีคนเดินตามไปแล้วนับไม่ทวน ยังเดินอยู่ถ้าเราไม่เดินตอนนี้นะพอหมดศาสนาทางก็ถูกปิดแล้วก็วนอยู่ในกล่ <laughs> <laughs> องนี่แหละมื่อดูมัวเดินกระโโไปกระโตกมาทะเลาะไปทะเลาะมาจนกว่าจะมีพระเจ้าตรัสรู้มาอีกองหนึ่งเราจึงจะมีช่องทางหลุดพ้นออกไปชาตินี้มาเกิดเป็นคนพบคําสอนแล้วช่องทางเปิดแล้วไปให้ถึงให้ใกล้เป้าหมายที่สุดเท่าที่จะไป เท่าที่กำลังของเราจะไปได้กำลังสติกำลังปรรัญญากำลังทานบา ร, รมีศีลบา ร, รมีศรัทธาทั้งหลายที่มีอยู่ทาให้เต็มที่วิริยะทั้งหลายทาให้เต็มที่สร้างบา ร, รมีให้เต็มที่เท่าที่ชีวิตนี้ทำได้นะขอขอให้ทุกคนในไหนไม่ได้ตั้งเป้าหมายเป็นพระพุทธเจ้าไมไ่ตั้งเป้าหมายเป็นพระปจเจ้าพระพุทธเจ้าแล้วเหลือเป้าหมายเดียวคือตัดสรุตามด้วยความเป็นสาวก ก็ขอให้สําเร็จตามขั้นตอนไปเป็นพระโสะดาบันบ้างเป็นพระสกิทาคาบ้างเป็นพระอนาคาบ้างจนถึงปลายทางคือเป็นพระอรหันตสาวกจะในรูปของเป็นคนนี้ก็ได้จะไปเป็นรูปของเทวดาขั้นใดขั้นหนึ่งก็ได้ในอะนาคตถ้าขั้นนี้เป็นคนอยู่ยังไม่ถึงขั้นเป็นพระอรหันในชาตินี <S <S ้เกิดมาใหม่ก็ขอให้อยู่ในแวดวงของพุทธศาสนาถิ่นใดที่พุทธศาสนากําลังเจริญรุ่งเรืองอยู่ มีคำสอนกลังแพร่ล้ลาอยู่มีการชี้ทางสู่ความพ้นทุกข์อยู่ขอให้เกิดอยู่ในแวดวงนั้นถิ่นนั้นและให้ได้รับฟังทำในยี้ต่อเพื่อให้ไปไปฏิบัติต่อ <c oughs> ขอให้ทุกคนสมความปรารถนาถึงความพอดทุกข์ด้วยกันทุกท่าน <c oughs> ทุกคน <c oughs> มีปัญหาอะไรไ้มถามเหมือนนักเลงเลยนะ <laughs> <c oughs> เราจะตัดการมราคะจากจิตใจได้อย่างไรบ้างครับ โอ้เอาคันตัดเรอะมันเป็นงานของพระอนาคามีแค่รู้ทันมีการมราค่าเกิดขึ้นนะรู้ทันทำได้ในแนวของที่จะไปเจริญวิปัสสนาไม่ให้การมราค้านั้นเติบโตหรือไปเจริญสมถะแก้การมราคะถ้ามันแรงถ้ามันแรงนะ ก็ใช้สมถ t แก้แต่ถ้ามันพอเอาอยู่พอเอาอยู่อเออนี่ย น, นะก็เจริญวิปั ส, สนาคือเจริญสติรู้ทันว่ามีกามราคะเกิดขึ้นหรือเห็นจิตมันไหลไปหาวัตถุที่เราไปเห็นแล้วหรือได้ยินแล้วเกิดกามจิตที่มันไหลไปเคลื่อนออกจากฐานคือจุดที่เราอาศัยเป็นวิหารธรรมเราดูกายหายใจอยู่แล้วไหลไปหา คนนั้นหลายไปหาเสียงนั้นถ้าไม่ทันตรงนี้มาเจริญสมถะสมถะที่จะช่วยแก้การมาราคะก็คือเห็นเป็นของไม่สวยไม่งามเช่นพิจนารณากายตัวเองเป็นอสุภะดูผมขนเล็บฟันหนงังเห็นเป็นอสุภะดูยังไงเพ่เป็นอสุภะเห็นทั้งรูปเช่นเห็นผมนะหรือเห็นฟัน บางคนถนัดจะดูผมบนหนังหัวดูผมหนังหัวก็จะเห็นทั้ ง, ท, ง, ท, งที่เป็นรูปร่างคือมันเป็นเส้นอย่างนี้เห็นให้มันเห็นชัดๆเลยนะพิจารณาเหมือนเหมือนเห็นชัดๆเลย ท, ที่จะให้รู้สึกว่าชัดมากขึ้นก็คือรู้สึกถึงกลิ่นมันด้วยกลิ่นหนังหัวของเราเนี่ยถ้าไม่สระผมหนึ่งวันเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงสามวันเป็นยังไงสี่วันเจ็วันเป็นยังไงลึกอย่างนี้นะ บางคนถนัดดูดูหนังหนังไม่ถ้าไม่ได้อาบน้ำหนึ่งวันเป็นยังไงสองวันเป็นยังไงมันจะเน่าเหม็นแค่ไหนเห็นความเน่าเหม็นคือเห็นอสุภะของกายคือหนังอันนี้บางคนดูฟันดูฟันนี่เห็นง่ายฟันเนี่ยนึกออกไหมไปยิงฟันใส่กระจกก็ได้เห็นฟันตัวเองสีสีเป็นยังไงรูปร่างเป็นยังไงที่อยู่ของมันเนี่ยอยู่แบบไหน ผมของเราอยู่อย่างนี้ที่อยู่มันอยู่อย่างนี้หนังของเราอยู่นี้ที่อยู่อย่างนี้ฟันของเราก็อยู่ในช่องปากชุ่มด้วยน้ําลายปอหักชุ่มด้วยน้ำลายเนื้อรู้สึกอืจักไม่ค่อยดีแล้วนะกลิ่นมันเป็นยังไงนึกถึงกลิ่นของของฟันของเราฟันเราเนี่ยกินอะไรแล้วก็ไม่แปลงฟันนะมันจะเป็นยังไงนะบางคนยิ้มออกมาเนี่ยฟันเขียวอยู่ซี่เดียวหรือว่าถ้าไม่แปลงฟันหนึ่งวันเป็นยังไง แปลงฟันวันละกี่ครั้งคนนี้แปลงฟันวันละกี่ครั้งสองครั้งอตอนไหนตอนเช้าและก่อนนอนเอก่อนนอนแปลงเลยนะนะตอนเช้าจะไม่แปลงได้ไหมอ้าววันละครั้งไม่ได้เหรอทั้งทั้ที่ก่อนนอนเนี่ยนะแปลงแล้วเนี่ยนะฟันนี้ก็ไม่ได้ใช้เคี้ยวอะไรต่อนะ ไม่ได้ใช้เคี้ยวอะไรต่อนอนอมน้ําลายอยู่ทั้งคืนเนยนะตื่นเช้ามาเนี่ยกลายเป็นว่าฟันต้องแปลงต้องามความสะอาดสแสดงว่าร่างกายเราเนี่ยอยู่เฉยเฉยมันก็จะสกระปรกไปเรื่อยสกรปรกไปเรื่อยทุกส่วนเลยนะก่อนนอนอาบน้ำไหมอาบแล้วเช้าขึ้นมาจะไปทา ง, งานหรือจะไปเรียนหนังสือต้องอาบอีกใช่ไหมถ้าไม่อาบเนี่ยรู้สึกว่าไม่มั่นใจตัวเองในการที่จะไปเข้าสมาคม <c oughs> ต่าง ร่างกายเราเนี่ยมันเป็นเป็นธรรมดาของมันที่มีมีความสกปรกอย่างนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอพิจารณาร่างกายตัวเองพอเห็นร่างกายตัวเองจนชนานาญแล้วเนี่ยนะพอ ม, มองคนอื่นก็จะไม่น่ารักไม่น่าดูแต่ไม่น่ารักไม่น่าดูก็ต้องทําความสะอาดมันเลยนะทำความสะอาดเห็นภาระที่เกิดขึ้นจะต้องทําความสะอาดไอ้ก้อนก้อนนี้ดูไปเรื่อยๆ ร, ราคะที่เกิดขึ้นที่เคยเกิดขึ้นกับคนอื่นบ้าง แม้แต่มองตัวเองแล้วเกิดราคาก็มีนะบางคนมองตัวเองโอ้สวยจังบึกบุนซิกแพคอะไรงี้นะดูแล้วก็โอ้กลายเป็นภาระที่ต้องดูแลมันพิจารณาร่างกายแล้วเห็นเป็นสิ่งปฏิกูลบ้างเห็นเป็นภาระที่ต้องดูแลบ้างอย่างนี้ก็จะพอบรรเทาแต่เป็นแค่บรรเทานะแค่บรนเทาราคะจะให้ตัดราคะได้จริงๆเนี่ยจะต้องด้วยอนาคามีมาก เห็นน้ ว, ว่าร่างกายนี้มันมันเป็นของที่ไม่น่าดูจริงๆด้วยปัญญาแต่ถ้าพวกเราเนี่ยจะดับได้เป็นขณะขณะด้วยกรรมฐานที่เหมาะกับตัวเองไปดูอสุภะบ้างดูผมขนและฟันหนังหรือพิจารณาความตายเห็นว่าตัวเองจะต้องตายแต่บางคนนะดูตรงนี้เนะี่ยัยงอุสาห หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองนะหนไหนๆก็จะตายแล้วก็เสพให้มันเต็มที่อย่างงี้อันนี้เรียกว่าถูกกิเลสหลอก<ม>เหมือนคนก็เชื่อว่าตัวเองจะต้องตายนะหนไหนๆก็ตายแล้วก็จะหาเงินให้รวยที่สุดทำสถิติให้เป็นคนรวยที่สุดในประเทศหรือร ว, วยในโลกที่สุดในโลกอะไรเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าไม่ไม่ได้เห็นความตายเพื่อประโยชน์ทีจ่จะพัฒนาจิตใจตัวเองจริงแต่จะไปพัฒนาตัวเลขในบัญชี อย่างนี้ใช้ไม่ได้ไม่ได้เอาความตายมาเพื่อเตือนตัวเองให้ไม่ประมาทแต่กลับยิ่งประมาทเห็นความตายจะใกล้เข้ามากลับยิ่งประมาทเรียกว่าไม่ได้ใช้ความตายที่เป็นมรณสติให้เป็นประโยชน์ที่จะให้เป็นประโยชน์ได้จริงเจริญสติเห็นกิเลสคือราคะเกิดขึ้นอันนี้ใช้ได้ใช้ได้ตลอดทั้งราคะโทสะโมหะ ฟุ้งซ่านหดหูอิจฉาตระนี <c oughs> ได้หมดกิเลสตัตัวเดียวถ้าเราไม่รู้ทันนะมันจะพาเราล่มจมได้แค่ลิสยาตัวเดียวถ้าเราไม่รู้ไม่รู้ทันเนะียพาเราล่มจมเหมือนอย่างท่านพระโลสกะในอดีตชาติอิจฉาตัวเดียวไม่ถึงยี่สสี่ชั่วโมงอย่างที่เล่าน่ากลัวกิเลสตัวใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาโทสะก็แรง ราคาก็แรงราคาถ้าไม่รู้ทันนะก็พาไปทำผิดเดี๋ยวจะกลายเป็นเล่านิทานเยอะเดี๋ยวไม่จบ <laughs> ทำบุญแล้วแบ่งบุญไม่เหนียวบุญ <laughs> บุญที่ทำในวันนี้ทั้งการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาฟังทำแสดงทำแสดงทำก็เป็นบุญนะวันนี้อาตมาก็เอาบุญด้วย <laughs> บุญทั้งหลายที่เราในที่นี้สร้างนะก็ขออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาแด่พระรัตานาตรยัยเรารู้จักวิธีทําบุญอย่างนี้ได้ก็เพราะว่าพระพุทธองค์ทรงสั่งสอนมาทำที่พระองค์ทรงสั่งสอนเราได้ยินแล้วได้ฟังแล้วขอบูชาคําสั่งสอนนั้ น, น, นบูชาแด่ผู้ที่ได้ฟังคําสอนของพระองค์ แล้ได้ปฏิบัติตามเห็นผลจนตัดสู้ตามพระองค์ไปเป็นพระสาวกในลําดับต่างๆขอบูชาพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นขอบูชาคุณครูบ า, าจารย์ที่ได้สืบสาศาสนาจนถึงทุกวันนี้ได้เราทําให้เรามีโอกาสได้พัฒนาจิตใจไปสู่ความพ้นทุกข์ด้วยครูบ า, าจารย์ได้มีความกรุณาแนะนําสั่งสอน ขออุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ที่ให้กาเนิดในชาตินี้เราเกิดมาชาตินี้ได้พบพุทธศาสนาได้มาเรียนรู้ได้มาพัฒนาตนเองก็ได้อาศัยคุณพ่อคุณแม่เป็นแดนเกิดขออุทิศให้กับผู้มีพระคุณทั้งหลายพ่อแม่ปู่ย่าตายายพี่น้องทั้งหลายญาติทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายที่ได้เอื้อเฟื้อ ให้กับชีวิตอันนี้ได้มีความเป็นปกติสุขท่านได้มาช่วยเราในยามที่เรามีทุกข์ได้มายินดีในายามที่เรามีความสำเร็จไดอุปถัมภ์คำจุนชีวิตนี้มาจนถึงทุกวันนี้ขอแบ่งบุญท่านให้ท่านทั้งหลายได้มาอนุโมทนาในสิ่งที่เราได้ทําแล้วในวันนี้เวลานี้ขออุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เราได้เคยร่วงเกินด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ถ้าท่านทั้งหลายได้รับการกระทบกระทั่งจากพวกเราในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวบุคคลหรือจะเป็นกลุ่มบุคคลขอให้ท่านทั้งหลายจงมาอนโมทนาบุญที่เราทั้งหลายในที่นี้พร้อมใจพร้อมใจอุทิศให้ขอท่านจึงจงมีความยินดีคลายความพยาบาทอาฆาตต่างๆชื่นชมยินดีในความดีซึ่งกันและกันแม้เราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจที่จะ ให้อภัยกับบุคคลที่จะที่เคยกระทบกระทั่งด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจข อ, อทิศให้กับเทพปยดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาพวกเราอยู่ด้วยปกปักรักษาประเทศชาตินี้อยู่ด้วยให้เทพปยดาทั้งหลายเหล่านั้นมีกําลังมากยิ่งขึ้นมีบารมีเข้มแข็งช่วยคําจุนคนดีให้มีกําลังในการทําดียิ่งขึ้นไป อุทิศให้กับสรรพสัตว์สัตว์ใดที่มีทุกข์อยู่จงมารับรู้และอนุโมทนาบุญกุศลที่เราทั้งหลายในที่นี้พร้อมใจให้กับท่านขอท่านจงมีความยินดีสมนัตดีใจในบุญกุศลที่เราอุทิศให้แล้วนี้เราทําบุญกุศลในครั้งนี้ดีใจอิ่มใจอย่างไรขอให้ท่านดีใจและอิ่มใจเหมือนอย่างได้ทําเองเหมือนที่เราทั้งหลายในที่นี้ดีใจและอิ่มใจอย่างนั้น อุทิศได้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใดที่มีสุขอยู่แล้วขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเราในที่นี้ก็ตัจะตั้งใจที่จะทำดีประพฤติปฏิบัติศึกษาถ้อยคำของพระโตองค์นำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อประโยชน์คือถึงซึ่งความพ้นทุกข์ด้วยกันทุกตันทุกคนตั้งใจอย่างนี้แล้วฟังคำให้พรเป็นสาบาดีและแปลอีกครั้งหนึง่ง ยาทาวริวาฮาปุราปริปเรนเณติสาครังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกับปติทานที่ทานุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิตพนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วกิบเมวะสมิจชะตุ จงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเ พ, พปุเรนตุสังกป้าขอความดำริทั้งปวงจนเต็มที่จันโทปนรโสยตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยตาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวห้ควรยินดีพราะว่ตัวสัพพะมังคลังขอสัพพะมงคลจงมีแก่ท่านรักกันตัวสัพพเทวตาขอเล่าเทวดาจงรักษาท่าน สัพพุทธานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุปาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สทาโสทิปวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ